เอธัตปัสสทิมังโลกังจิตตังราชถุปมังยัตถพาลาวิสีทันตินัตถิสังโควิชานตังท่านทั้งหลาย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 จึงขอเชิญท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านมาตั้งจิตน้อมใจให้สงบเพื่อบุญกุศลที่จะได้เกิดกับเราอย่างเต็มที่ติดตามรับฟังธรรมบรรยายไปพร้มพรอมๆกันนี้มีเรื่องสำคัญสาคัญที่จะคุยให้ทราบแต่ก่อนอื่นก็ใครจ ะ, จะเจริญพรเรื่องที่น่าชื่นอบชื่นใจ เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่อาตมาเคยกล่าวเสมอว่าท่านที่มาร่วมบำเพ็ญบารมีด้วยกันที่นี่นั้นเราชี้แนะแนวทางในการบาเพ็ญบารมีที่ให้ได้ผลดีเพราะเหตุว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อย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 ให้รู้ว่าทําบุญสิ่งใดเป็นแก่นสารสาระที่สุดสนี่ตรงนี้แหละที่อาตมาชี้แนะนำว่าลักษณะของบุญที่จะเป็นแก่นสารที่สุดสก็บุญที่เป็นทั้งอมิตรทานและธรรมทานอามิตรทานนั้นเบื้องต้นหลักใหญ่ก็ได้แก่ ปัจจัยสี่ผู้ที่เสียสละกำลังกายก็ดีสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เป็นปัจจัยสี่เพื่อทานุบำรุงบุคคลหรือคณะบุคคล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 นี่แหละเป็นมหานิสงและในขณะเดียวกันทำนุบำรุงบุคคลคณะบุคคลเพื่อเป็นไปในการประพฤติพรมหมจรรย์ในการศึกษาในการอบรมในการปฏิบัติภาวนาธรรม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 แต่เป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างนี้ผลบุญจากทานกุศลอย่างนี้คือทานกุศลอันเกิดแต่ผู้บริจาคก็มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบุคคลคณะบุคคลเพื่อกิจกรรมที่บริสุทธิ์แก่บุคคล คณะบุคคลที่พยายามประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยอย่างนี้ยิ่งด้วยอานิสงท์ทีเดียวยิ่งด้วยอาณิสงท์ทีเดียวจริงอยู่เราอาจจะหาบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าจะพบหรือไม่พบ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 ในสมัยที่ทรงพระชนชีพอยู่สักตัวอย่างสองตัวอย่า ง, ก, างก็จะรู้อานิสงส์ว่าทรงผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีสมัยหนึ่งที่พระสมัยได้อยู่ที่ถ้ำปิปลี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 ครองจีวรพร้อมด้วยบาทเดินไปในที่นั้นก็พอดีกับนางคุณธิดานั่นเอาข้าวสาลีไปทำข้าวตอกพอเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาถวายข้าวตอกทั้งหมด ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อิ่มใจในบุญเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบรรลุทำใดก็ขอให้ได้รู้บรรลุธรรมนั้นด้วยตรงนี้ชี้ให้เห็นข้อพิเศษของการอธิษฐานจิตของคนผู้มีบัญญา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 หรือจะอธิษฐานว่าขอจงสำเร็จมรรคผลนิพพานพี่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องไปอธิษฐานขอให้ได้มีวิมานกี่ชั้นขอให้ได้เป็ น, นโน่นเป็นนี่บุญเขาทำหน้าที่ของเขาเองนางคุณฑิดาอธิษฐานจิตได้รับพรจากก็เดินทางกลับมาตามคันนาพอดีงูกัด งูพิษร้ายกัดตายทันทีก็เหมือนกัะหลับแล้วตื่นขึ้นปรากฏในวิมานยี่สิบสามสิบยอดวิมานทองพร้อมด้วยบริวาร น, นางอับศรเป็นบริวารเนี่ยเป็นพันตัวเองก็ทรงเครื่องอลงกรสวยงามระยิบระยับ เป็นธรรมดาของเทพพยาดาที่เมื่อปรากฏอุบัติขึ้นแล้วก็จะตรวจสมบัติของตนว่าเออได้มาอย่างไงตรวจ ด, ดูก็เห็นว่ า, าเราทำบุญนิดเดียวเนี่ยกับพระน่ะแม่เราทำบุญน้อยนิดเดียวเผลอาตายในขณะที่ใจอิม่มเปี่ยมด้วยบุญน่ะก็เลยนึกว่าควรจะได้อุปถา เพื่อทำทรัพสมบัติของเราเนี่ให้ยังยืนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดได้แล้วก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์เป็นนางคุณธิดาคอยทำความสะอาดรอบๆที่พักตักน้ำตักท่ามาเตรียมไว้ทุกวั น, ก, วนก็นึกว่าใครมาทำให้ คงจะเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยทำให้ภายหลังน่เหลือบสังเกตดูเอเห็นรัศมีเออนีเทวดานี่นางเทพทิดานี่แหละมาทำก็ดุไล่ไปบอกเธออย่ามาทำให้นางเทพธิดาชื่อชื่อว่าลาชะก็มีความเสียใจก็อยากจะปรนนิบัติท่านร้องไห้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 จะพึงกระทําบุญไซพึงกระทําบ่อย ๆ, อยๆแล้วก็พึงทำความยินดีในบุญกุศลนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญ เ, เห็นเหตุนำความสุขมาให้ นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามิได้ขัดข้องเรื่องบุญตรัสถึงเรื่องบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทานกุศลอย่างนี้ว่าพึงทำบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังอย่าไปนึกว่าฉันทำบุญทีเดียวทีหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอีก แต่ว่าบุญเป็นเรื่องต้องสั่งสมเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรามัดบารมีบุญเป็นทานบุญเรื่องของทานกุศลก็จะได้ชื่อว่าทานบารมีเมื่อแก่กล้าขึ้นทานอุปบารมีทานปรามัดบารมีเป็นพื้นฐานแก่บารมีอื่นๆทั้งสิบประการที่อาตมาได้กล่าวแล้วแต่ต้นให้เจริญงอกงามแก่กล้าขึ้นเป็นพลังสําคัญให้สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงได้นี่เลยที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ทีนี้บุญปรากฏเมื่อกีนีปรากฏภายหลังเมื่อตายลงเป็นนางเทพธิดาเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาไปตามศักแห่งบุญ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 กำลังกายสติปัญญาความสามารถและกําลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หรือคณะบุคคลหรือในกิจกรรมที่ดำเนินไปเพื่อความประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระ ขจัดขัดเกลากิเลสตนและผู้อื่นด้วยเป็นมหากุสลนะไม่ใช่จะเกิดมีให้เราได้ทำได้บ่อยๆง่ายๆในทุกภพทุกชาตินะ่ะไม่ใช่นะบางทีมีเงินแต่ไม่มีโอกาสบางทีมีโอกาสแต่ไม่มีกำลังทัพย์ และบางทีไม่มีทั้งโอกาสและไม่มีทั้งกําลังทรัพท์เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้จึงเป็นของหายากมีที่ใดในโอกาสใดพึงกระทาที่นี้อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเจตวัน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 พ่อพระสารีบุตรมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสน่พราหมณ์ตกยากในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนาพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะปลดสัทุชนกำลังติดตามรับฟังธรรมบัร ญ, ญายเรื่องทาน ย่อมให้ผลในปัจจุบันและในอนาคตจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพว่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดปราชบุรีซึ่งวันนี้ทางรายการนำมาให้สาธุชนได้รับฟังกันเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนั้นก็คือทานกุศลศีลกุศล และภาวนากุศลทั้งสามประการนี้จําเป็นจะต้องทำความเข้าใจศึกษาควบคู่กันไปในการประกอบบาเพ็ญบุญกุศลเพราะว่าการให้การเสียสละนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกําจัดกิเลสคือความโลภในจิตใจของเราให้หมดไปให้เบาบางให้มีน้อยที่สุดเพราะว่า ถ้าบุคคลมีความเสียสละก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างมากมายฝึกทำฝึกทำจนเป็นนิ ส, สยัยทำบ่อยๆเนืองๆจิตใจก็จะผูกพันอยู่กับการให้กับการเสียสละซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้ต้องการนักบุคคลที่มีความเสียสละมีความเอื้ออาทรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่บุคคลผู้ด้อยกว่าตนทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทองปัจจัยเครื่องยางชีพทั้งความรู้ความสามารถสังคมประเทศชาติกำลังต้องการบุคคลผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเช่นนี้วันนี้ก็สารธรรมจากทางรายการธรรมสู่สันติได้นำเรื่องทานกุศลมาให้สาธุชนได้รับฟังกัน